ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องอนังคณะสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยกิเลสเพียงดังเนินมีข้อความโดยสรุปว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตตะวันภาษาริบุตรท่านเรียกลิสูต์ทั้งหลายมา แล้วก็กล่าวธรรมกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นใจความว่าพวกท่านบุคคลสี่จำพวกคือบอกว่าคุณครับบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกคืออะไรบ้างบุคคลบางคนในโลกนี้มีอังคะกิเลส แต่ไม่รู้ความจริงว่าเรายังมีอังคณะกิเลตภายในหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีอังคณะกิเลตก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีอังคณะกิเลสอยู่ภายในหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีอังคณะกิเลตแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีอังคณะกิเลสในภายในหนึ่งบุคคลในโลกนี้ไม่มีอังคณากิเลต ก็รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีอังกณะกิเลสในภายในก็มีคำที่ฟังยากอยู่คำหนึ่งคือคำว่ากิเลสคือถ้าเราเทียบเคียงภาษาที่เราคุ้นๆเนี่ยคือคนโง่แต่ไม่รู้ตัวตัวเองว่าเป็นคนโง่เป็นคนโง่แต่รู้ตัวเองว่าเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนฉลาด เป็นคนฉลาดและรู้จักตัวเองมาเป็นคนฉลาดหมายความว่าเทียบเทียบกับอะไรก็ได้เป็นโครงสร้างสี่ในลักษณะนี้เราจะพบคำพูดบ่อยๆมันก็ทานองคล้ายๆกับมะม่วงข้างนอกดิบข้างในดิบหนึ่งข้างนอกดิบข้างในสุกหนึ่งข้างนอกสุก ข, ข้างในดิบหนึ่งข้างนอกสุก ข, ข้างในสุกหนึ่งหรือจะเทียบอย่างอื่นก็ได้นะฮะพวกสีสี่นีจะมีอยู่เยอะ ในองคตระรนิกายจะมีธรรมเทศนาแนวนี้อยู่เป็นอันมากก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลานั้นมันมีวัตถุอุปรกรณ์อะไรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารท่านก็ยกสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแสดงวลคมจะรู้สึกว่าเราไม่คุ้นเนี่ยคืออังกณะอังกณะนั้นแปลวะ่ากิเลสเพียงดังเนินตามปกติแล้วจะเน้นไปที่ตัณหามานาทิิสามข้อ แต่ว่าเฉพาะในพระสูตรนี้นะครับเวลาท่านอธิบายขยายความไปเนี่ยท่านจะเน้นไปที่ตัวตัณหานี่เป็นหลักแต่ว่าแทนที่จะเรียกตัณหาท่านไม่เรียกว่าตัณหาท่านเรียกว่าอิสาวจรคือหมายความว่าจิตมันแล่นไปด้วยแรงปร า, า, างงปรถ น, นาอย่างนั้นปรารถนาอย่างนี้ปรารถนาอย่างโน้นก็เรียกว่าอิสาวจรเกเป็นศัพท์เทคนิคต่างพระพุทธศาสนา แต่ว่าสำหรับท่านที่นั่งฟังท่านก็เข้าใจและจากนั้นท่านก็จาแนกแสดงเหตุว่าในบุคบุคคนสี่จำพวกนั้นบุคคลใดมีพูดง่ายๆว่ามีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในบุคคลสองจำพวกที่มีอังกณกิเลสเหมือนกัน บุคคลนี้บัณฑิตย่อมกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวสามคือหมายความว่าตนเองมีกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าตนเองมีกิเลสในภายในก็แสดงว่าเป็นคนโง่ที่ไม่รู้ตัวเองมาเป็นคนโง่ก็เป็นคนโง่แท้ๆถ้าเราเทียบกับที่คงจื้อพูดเนี่ยสิ่งใดที่ท่านไม่รู้ ท่านรู้ว่าท่านไม่รู้นั้นแสดงว่าท่านรู้ oppose. สิ่งใดที่ท่านรู้ท่านรู้ว่าท่านรู้นั้นแสดงว่าท่านรู้ทีนี้เมื่อจะเพิ่มเป็นสี่ว่าสิ่งใดที่ท่านไม่รู้ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้ก็แสดงว่าท่านไม่รู้สิ่งใดที่ท่านรู้แต่ท่านไม่รู้ว่าท่านท่านรู้ก็แสดงว่าท่านไม่รู้ มันมันมันก็เทียแบแต่ลักษณะนเนี่ยก็หมาความ่าก็คิดได้ไปเรื่ อ, เ อ, อยเช่นว่าคนบางคนรู้แต่ไม่ชี้บางคนไม่รู้แต่ชี้บางคนไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่ชี้ด้วยบางคนทั้งรู้ทั้งชี้ก็ทําให้เราจะมองอะไรในสี่มิติแทนที่จะมองไปมิติเดียวเนี่ยแล้วก็จะเข้าใจเรื่องเหล่านั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น วันถามว่าทำไมบัณฑิติกล่าวว่าเป็นคนเลวก็เพราะอะไรเพราะว่าโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกมันเหมือนกับคนป่วยที่ไม่รู้จักว่าตัวเองป่วยเนี่ยไม่มีโอกาส ร, รักษาหรอกคนเมาแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเมามไม่แก้เมาหรอกคนบ้าไม่รู้ตัวเองบ้ามันก็ไม่ไม่ปรับปรุงตัวเองเพราะั้นะจะมีการนาเสนอเป็นตอ น, ตอน เป็นข้อที่น่าสังเกตว่าพระโมคกัรณะเทระนี่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วท่านก็ถามแทนภิกษุทั้งหลายคือต้องการให้ราสาริบุตรท่านอาธิบายขยายความเพื่อภิกษุเราอื่นเนี่ยเข้าใจแต่ท่านเองไม่ใช่ถามด้วยความไม่รู้เพราะท่านเป็นพระหันเหมือนกันเพียนได้ว่า แต่งการยกประเด็นขึ้นมาเพื่อให้ระสาทิบุตรอธิบายให้พระท่านเข้าใจต่อๆกันไปทีนี้ก็บุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดมีอังกนากิเลสรู้ตามเป็นจริงว่าเรามีอังกนากิเลสในภายในบุคคลสองจำพวกที่มีอังกณากิเลสเหมือนกันบุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐคือหมายความว่ามันมีกิเลสแต่ก็รู้ รู้จักตัวเองว่าตัวเองมีกิเลสก็โอกาสที่จะเข้าเป็นเป็นนักปราดก็ได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้จากนั้นก็บอกว่าในบุคคลสีจำพวกนั้นบุคคลใดไม่มีอังกณกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีอังกณตกิเลสในภายในคือทางทางที่ตัวเองไม่มีอังกณกิเลสพูด ง, ง่ายๆไม่ไม่มีกิเลสก็แล้วกัน คือทั้งๆ ท, ที่ตัวเองไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสในภายในจากการสังเกตข้อความในตอนหลังนะใ น, นการพูดถึงการสงบระ ง, งับกิเลสไม่ใช่พูดถึงระดับที่หมดกิเลสให้ลอนสังเกตว่าสภาพจิตของเราเราก็ไม่มีกิเลสตลอดยีบสี่ชั่วโมงหรอก มันก็มีเป็นช่วงเป็นช่วงเอามาเฉลี่ยกันดูถ้าเราสามารถกำหนดดูรางไอ้ภาวะจิตของเราได้นะบางวันเราอยู่ได้ธรรมะตั้งเยอะกิเลสมันก็แทรกเป็นช่วงเป็นช่วงไปบางอย่างกิเลสก็อาจจะมากน้อยก็แสดงว่าธรรมะมันก็เกิดเกิดเกิดขึ้นเป็นช่วงเป็นช่วงไปแต่ไม่มีใครที่อยู่ด้วยกิเลสทั้ง14ชั่วโมง หรือว่าอยู่ด้วยธรรมะได้ทั้ง14ชั่วโมง24ชั่วโมงถ้ายังเป็นบุตุชนอยู่ยังอยู่ภายใต้อำนาจแห่งจิตอยูอ่ความหมายในที่นี้ก็หมายความว่ายัางแล่นไปได้วยแรงปรารถนาอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้โน้นไปเรื่อยๆเยนี่ยและท่านก็บอกว่าบุคคลสองจำพวกที่ไม่มีอังกณากิเลสเหมือนกันบุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเหลวสามในบุคคลสี่จำพวกนั้น บุคคลใดไม่มีอังกณกิเลสเลยรู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีอังกณกิเลสในภายในบุคคลสองจำพวกที่ไม่มีอังกณกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตรกล่าวว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐก็หมายความว่าเป็นการรู้ในขณะนั้นนั้นว่าในขณะนั้นนั้นเนี่ยตัวเองไม่มีกิเลสแล้วก็มีชําความยัดเจนในตัวเองว่าตนเองไม่มีกิเลส แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบอกใครนะะคือเป็นการสอนให้ศึกษาสัียกวิเคราะห์ดูสภาพจิตของตัวเองประตามปกติแล้วรเราเห็นว่าจิตเราอยู่ด้วยกุศลและอกุศลอย่างในแนวจิตานุปัสสนาที่ท่งสอนเรื่องให้พิาพจารณาดูจิตของตัวเองเนี่ย ก็ให้ดูจิตสองประเภทที่ปรากฏเด่นก็คือจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลก็จัดกันไปเป็นคู่คู่มีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะอะไรก็ดูไปตามที่ปรากฏในขณะนั้นๆในกรณีที่จิตมีกิเลสก็พยายามข่มพยายามบรรเทาพยายามสงบพยายามระงับพยายามดับพยายามให้มันจางคลายลงไป ในกรณีในกณีที่มีธรรมะอยู่ก็พยายามพ ร, ระคัรปครองรักษาแล้วก็สืบต่อให้กุศลเหล้านันดำรงอยู่ได้นานๆทีนี้เมื่อพระสารีบุตรทัางกล่าวมาถึงช่วงนี้พระโมคคัลลานะท่านก็เรียนถามพระส า, า, ร, ะสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรครับเหตุอะไรหนอเป็น ปัจจัยอะไรหนอที่เป็นเหตุทําให้บุคคลสองจำพวกที่มีอังกณากิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวสามคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษผู้ประเสริฐ <mouth> แล้วก็เหตุใดหนออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บุคคลสองจำพวกหลัง <während> ที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวสามคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้ประเสริฐ ทั้ความเราสังเกตว่าคือคำมันมันมันมันจะมีคําว่าไหม่หรือว่ามีเนี่ยคําที้มันต่างอยู่ก็มีอยู่สองคำเดเองคือคําว่าไม่หรือกับคําว่ามีเอ่อเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีกิเลสแต่ไม่รู้จักว่าตัวเองมีกิเลสมันก็จะไม่มองเห็นโทษของกิเลสในขณะเดียวกันตัวเองไม่มีกิเลส แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองมันมีกิเลสมันก็ไม่พยายามสืบต่อให้จิตมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นคือสรุปแล้วว่าไม่เจริญกุศลด้วยกันพ ร, พระสารีบุตรท่านก็นอธิบายว่าในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรายังมีอังกณะกกิเลสในภายในข้อที่บุคคลนั้นพึงหวังได้ ตรงนี้จะจะจะขับประโยคมันจะเหมือนกับในสมัปทานคือสมาวัยมะนะฮะคือความพยายามในทางที่ชอบมันก็ต้องกลับไปมองที่ตัวความพยายามในทางที่ชอบที่จริงเนี่ยมันเป็นโวหาและเทศนาคือหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในใ น, ในตรงเนี้ยที่จริงก็อยู่ในกุศลกรรมไอ้ไม่ใช่ในอริมักบงแปประการหรือจะพูดว่าอยู่ในกุศลกบทก็ได้ก็ไม่แปลกอะไร โดยทั้งแล้วกุศลกบฏเนี่ยเมื่อปฏิบัติได้ลึกซึ้งมันก็ไปเชื่อมกับอนิมัติงค์ประการเพราะเขาก็เป็นอนิมัติงค์แปประการอยู่แล้วโดยเห็นว่าในความเป็นกุศลกบฏด10ข้อเนี่ยมันก็เป็นสัมมาวาจารสี่นะสัมมากัมมันตะสาแล้วก็นอกนั้นก็กระจายอยู่ในสัมมาทิฏฐิสัมมา ท, มาทังกัปปะสัมมาวิมมะสมาสติสัมมาสมา ธ, มาธิตามลักษณะ ของอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นเพราะคนเหล่าเนี่ยเมื่อเมื่อไม่ประจักษ์แก่ใจว่าตัวเองมีความไม่ดีในภายในพูดง่ายว่ามีความคิดไม่ดีในภายในหรือพูดง่ายว่าไม่มีกิเลสในภายในไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสในภายในเนี่ยมันเหมือนคนพานที่ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นพานมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นบัณฑิตได้เพราะจะไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร มันคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วเพราะความชัดเจนในตัวเองนี่จึงถือว่าเป็นเรื่องสาคัญเช่นในหมวดที่ว่าด้วยตนทรงมีพระพุทธดำรัสเป็นนันมากตนเป็นที่พึ่งของตนจงเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนสอบตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนคือลักษณะของพุทธเนี่ยมองกลับเข้าข้างใน เหตุแทนที่จะมองตรวจสอบมาจากข้างนอกเนี่ยคือจะมองตรวจสอบจากข้างในตัวเองเพราะข้างนอกที่จริงแล้วเนี่ยเราทําได้แค่ชี้อบอกแต่เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้เลยพระเจ้าเองเนียรับสั่งอาขาตาโรตถาคตาตาถาคตเป็นได้เพียงผู้บอกให้เท่านั้นแต่การจะปฏิบัติพัฒนาจิตหลุดพ้นจากกิเลส พ้นจากอำนาจแห่งมานได้เนี่ยมันอยู่ที่ทุกคนจะต้องใช้ความเพียรพยายามด้วยตนเองพระพุทธศาสนาทำได้อย่างมากสุดๆเนี่ยคือปรุงอาหารให้ส่วนใครจะรับประทานหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งพราะธรรมะเราเห็นว่าเป็นชุดๆไปคนก็ศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติผลมันจะเกิด ให้ลองตั้งเกตว่ารับสั่งว่าเขาจักไม่ยังความพอใจให้เกิดความพอใจในออะไรมนควาพใใจใการจะล่าความชั่วทำไมไม่พอใจหรอเพราะแกไม่รู้ว่แกชั่วก็วพอใจที่จะล่าชั่วไม่เกิดเมื่อไม่มีความพอใจในความพยายามจะไม่เกิดบอกว่าจักไม่พยายามจักไม่ปราร้ความเพียรเพื่ออะไรเพื่อ ยังกิเลสเพื่อละเพื่อละอังกนกิเลสนั้นเสียอังกณกิเลสก็อย่างที่ว่านะฮะคือคือชื่อของกิเลสแต่ตามปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นๆกับตัณหามานาทิทิบางทีเรียกว่าปปันจะทมแต่หมายรวมแล้วก็หมายถึงสัพพกิเลสทั้งหลายนะั่นแหละเขาจักเป็นผู้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีราคะมีโทษะมีโมหะมีกิเลส เป็นเรื่องที่พระท่านพูดกับพระเพราะราคะเนี่ยตามปกติแล้วเป็นธรรมเทศนาที่พระพูดกับพระหรือพระเจ้าสอนพระเพราะว่าพระนั้นก็คือสัตว์โลกในโลกียวิสัยเนี่ยปรีกลีกเร้นออกมาเพื่อปฏิบัติลดละกามราคะ ทลาเรื่องทางเพศนะเราจะเห็นว่าทั้งพระภิกษุภิกษุณีสามเดนสามเนรีนางศิขามานาใ น, นสิขาบทที่เกี่ยวกเรื่องเพศตรงกันข้ามยึถี่ยิดมมากเลยคนไม่ได้บวชได้ศึกษาได้อ่านเนี่ยจะไม่คาดคิดว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นทาไมจึงทาอย่างนั้นอย่างคนรุ่นใหม่บางทีเนี่ยเขามองคล้ายๆกับพระรังเกเียจข่าว จะรัประเคเนี่ยทําไมรับประเคสด้วยมือไม่ได้รังเกียจเขาก็ เ, าเป็นขี้เรือนหรือเปล่าอะไรแต่โอ้พูดพูดไปเยอะเลยนะเ ค, คือปัญหาข้อวินัยนะฮะวินัยท่านบัญญัติไว้อย่างนั้นพระก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นเท่านั้นเองทําไม่ปฏิบัติมันก็เป็นพระที่ดีไม่ได้พอปฏิบัติพอถึงยุคสมัยบางอย่างเนี่ยกระแสะสังคมมีความคิดไปอีกเรื่องหนึ่ง มองใล้ๆอะไรศักดิ์สิอะไรความเสมอภาคอะไรต่ตางๆคือไม่ได้คิดในในเรื่องว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจดึงกายดึงจิตให้ห่างจากเรื่องที่จะกระตุ้นให้เกิดราคะตอนนี้ก็พูดถึงราคะโทสะโมหะแล้วก็มีกิเลสกิเลสก็เป็นคำรวมอีกทีหนึ่งบางทีกิเลสเนี่ยก็ตั้งก็แยกเป็นสิบข้อ แต่ไม่ต้องไปติดใจมากนะฮะคือถ้าเป็นการสอนญาติโยมก็จะพูดว่าโลภะโทสะโมหะแต่พูดกับพระก็จะพูดราคะโทสะโมหะก็คือกันหมายความโลภะกับราคะเป็นกิเลสประเภทคว้าก็มาหาตัวด้วยกันโทสะเป็นกิเลสประเภทที่ผลักใสเสือกใสออกไปโมหะเป็นกิเลสประเภทที่อุ้มไว้กอดรัดไว้ผูกหมกบุนวุ่นวายอยู่กับมัน นะตราบใดที่ยังไม่จางคลายเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะเป็นปัจจัยข้องกันอะไรกันอะไรเกิดก่อนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดได้อย่างอื่นก็เกิดตามมาได้ทีนี้พอมีกิเลสกิเลสก็คือสิ่งที่ทําจิตเศร้าหมอจิตที่ถูกกลุ่มรวมด้วยโลภะก็ดีกลุ่มรวมด้วยราคะก็ดีกลุ่มรวมด้วยโทสะก็ดีกลุ่มรวมด้วยโมหะก็ดีมันขุ่นมันไม่สงบมันมีความร้าร้อนมันมีความรุนแรงจะ พูดเป็นระดับโลกิยะท่านบอกว่ามีจิตส่ามองทำกาลัทีนี้มันมันก็ไปเจอพุทธภาสิทธ์ข้ออื่นเจิตเตสังกิริเถทุท ก, กติปาติกังขาเมื่อจิตสมองแล้วหวังได้ว่าจะบังเกิดในทุ ก, กติทีนี้ต่อุปมาสภาพจิตนี ว่าเหมือนกับถาดถาดทองสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลในช่างทองอันละอองและสนิมจับอยู่โดยรอบเจ้าของไม่ได้คิดว่าถาดมันอย่างสกปรกเอาไปใช้เลยแล้วในขณะเดียวกันก็เก็บไว้ในที่ที่มีละอองขึ้นมีฝุ่นมีละ อ, องจับเครือไปหมดเลย เมื่อเป็นอย่างนี้พอผ่านไปเนี่ยถาดมันจะเศร้าหมองมากยิง่งขึ้นเพเิ่มสนิมเพิ่มละอองเพิ่มทุลีเพิ่มเพิ่มมลทีนขึ้นไปสหนิมก็ยิ่งกลับจับเครือไปหมดเลยเพราะจิตใจของเราก็เหมือนกันฮนะต้องฟังลอมสังเกตวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงในมงคลละสูตรเนี่ย อย่าข้อพาณ น, นะให้ข็อบันดิตใด้บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างตนกับคนอื่นเนี่ยให้ออกมาในรูปของเกื้อกูลสร้างสรรพัฒนาทีนี้สถานที่อยู่ก็ปฏิรูปรเรสสวัสดิจะอยู่ในประเทศที่สมควรต้องมีพื้นฐานฝ่ายดี เรียกว่าปุเพกะตะปุญญาตาคือมีบุญซึ่งกะทำไว้ในการก่อนแล้วมุ่งมั่นที่จะตั้งตนไว้ในทางที่ชอบเ ม, มันมั น, มนเราเอเราเราเองต้องฝ่ายเดียสภาพไปล้อมนั้นเป็นปัจจัยเสริมเฉยๆไม่ใช่ตัวหลักเพียงแต่ว่ามันไม่บรบไม่รบกวนแต่นั้นเองคล้ายๆกับเรานั่งสมาธิเพื่อจิตส ง, งบเนี่ย บรรยากาศรอบข้างเนี่ยมันสงบไปนั่งในถ้าในห้องปรับอากาศในที่ห่างไกลเสียงคนเนี่ยมันโอกาสที่จะสงบเนี่ยมันทาได้ง่ายแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราไปนั่งสมาธิในถ้ากลางเสียงอึกทึกมันก็ไม่ได้ก็ยังนึกว่าเออมันที่จริงมันน่าจะหาดไห้เด็กนะทำกระดาษเนี่ยทกระดาษคล้ายๆสตางค์เนี่ยตัดกระดาษไว้สัก ร้อยสองร้อยแผ่นให้เธอลองฝึกนับฝึกนับกระดาษในสถานการณ์ต่างๆนะเช่นว่าร้อยแปดเนี่ยมันครบร้อยแปดทุกครั้งมนะมีเสียงอุกตึกมีเสียงชวนคุยมีเสียงรบกวนอะไรต่อะไรเนะี่ยนับไดนะ้เห็นว่าว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้นับหนึ่งถึงร้อยซึ่งเรานับครองอยู่แล้วเนะี่ยมันเกิดนับไม่ได้ นับขาดไปบ้างเกินไปบ้างพลันสภาพไปร้อนถึงท้องเกือกูลแต่ในขณะเดียวกันถ้าจิตก็มีสมาธิจริงๆเนี่ยเขาก็ทำได้เพียงแต่ว่าทำยังไงจิตจะมีสมาธิต่านั้นทีนี้พระโมกขลานะกแ็แค่กราบแนตะ่ครับว่าอย่างนั้นหรือท่าน ภาษาลิบุรกบอกว่าอย่างนั้นแหละท่านครับบุคคลนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันยังมีอังกักิเลสอยู่แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเรายังมีอังกักิเลสในภายในข้อที่บุคคลนั้นจะพึงหวังได้คือเขาจักไม่ยังความพอใจให้เกิดจากไม่พยายามจักไม่ปรารบความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเขาจะเป็นผู้มีราคะมีโทสะมีโมหะแล้วมีกิเลสจิตใจเศามองทกากันละ พอเราสังเกตว่าข้อความทั้งหมดเป็นการพูดระดับโลกิยธรรมไม่ได้พูดร ะ, ระดับโลกุตระนะฮะไม่พูดระดับโลกุตระทีนี้บุคคลจําพวกที่สองก็บอกว่าในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดยังมีอังกณกิเลสอยู่ก็รู้ตามเป็นจริงว่าเรายังมีอังกณากิเลสในภายใน ข้อที่บุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจักยังความพอใจให้เกิดคือรู้ว่าตัวเองไม่ดีตัวเองโง่ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองยังไม่สงบจิตใจเรายัางขุนหัวยเศาหมองคือรู้โทษโดยความเป็นโทษจำนวนตรงนี้เราจะเจอรู้โทษโดยความเป็นโทษรู้คุณโดยความเป็นคุณชัดเจนพอชัดเจนเราก็ไม่ชอบในส่วนที่เป็นโทษ ก็เปียนพยายามลดละในส่วนที่เป็นโทษก็เห็นว่าก็เกิดความพอใจในการยศละกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในภายในก็มองเห็นโทษแล้วก็ใช้ความพยายามปราลบความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเสียพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตเขาจะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีกิเลสทากาละ คือหมายความว่าอาจจะสงบได้ระดับตะทังกะวิมุตตที่ว่าหลุดพ้นจากกิเลสในแต่ละขณะเรออา จ, จะสงบกิเลสได้ด้วยกำลังของฌานหรือของสมาธิก็ทำการละทีนี้พวกนี้อาจจะไปถึงโน้นใคำว่าไม่มีเนี่ยก็กรอบมันไปขนาดไหนก็ได้ก็อาจจะถึงบรรลุมรรคผลนิพพานทำการละไป ถึงจุดที่เรียกว่านิ้ผ่านไปทีนี้ถ้าอุปมาเหมือนถาดเหมือนถาดทองสำริดที่เราซื้อที่คนซื้อมาจากท้องตลาดหรือจากไรนนช่างทองเนี่ยมีละองมีสนุยมีธุลีเต็มจริงๆแต่เจ้าของเนี่ยแทนที่จะใช้เลยก็ไม่ได้ใช้เอามาขัดพระจนะนั้นแล้วไปเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีละอง มันก็ต้องลงสองอย่างเขาเรียกว่าละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็รักษาความดนะีที่ตัวเองสร้างขึ้นผลสนิมเก่าก็ถูกกระจัดไปสนิมใหม่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นก็ทำให้เป็นภาชนะที่พร้อมจะใช้งานคล้ายๆกับ ในประสุตรก่อนนะฮะธรรมธายาสูตรที่ทรงใช้กรรมกรร ม, มนิยะคือจิตที่ใช้งานได้สามารถน้อมใจเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้เพื่ออย่างโน้นได้ทีนี้เมื่อจิตผ่องใสยอย่างน้อยที่สุดนี่จิตผ่องใสเมื่อก็ตายแล้วไปบังเกิดในสุคติก็อย่างที่ทรงแสดงว่าจิตเตอาังกิลิเถสุคติปาฏิกัขงขา เมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุขติจากนั้นท่านก็ตอบย้ำอีกที่หนึ่งโดยข้อความเดิมนะะเพราะว่าเป็นการคุยกันเป็นตอนๆพระโมคคัลลานะท่านก็ตอบท่านท่านก็รับคำท่านสั้นว่า อ, อ๋ออย่างนั้นหรือท่านก็รับอย่างนั้นหรือครับแปลเป็นไทยง่ายๆนะะอย่างนั้นหรือครับก็อาจจะแปลเป็นจำนวนหนังสือสอหน่อยก็ มาถึงบุคคลประเภทที่สามเนี่ยไม่มีกิเลสนะไม่มีอังกนกิเลสในภายในแต่แต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีอังกนากิเลสในภายในไม่รู้ว่าเราไม่มีอังกณกิเลสในภายในข้อที่บุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจะไม่มนสิการถึงสุภานิมิตไม่มนสิการถึง สุภานิมิตเขาจักมนัสิการสุภานิมิตนะสุภานิมิตก็คือมองรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องทีนี้กิเลสในตัวเองก็ไม่มีหมายความกิเลสซึ่งงบนะกิเลส่งงบหรือถูกสยบไว้ระดับใดระดับหนึ่งเพราะว่ากิเลสยังฟูได้นะฮะระดับ ที่จริงต้องโน้นนะะตั้งระดับในวสัญญาในะสัญญาโยตนาลง ม, มาเนี่ยฟูได้ทางนั้นนะ่ยโดนกระแทกรแรงๆเนะี่ยฟูได้ทั้งนั้นเพราจากตัวอย่างที่ท่านบอกว่ามนัสิการถึงสุภะนิมิตคือกําหนดหมายว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นร่อยสัมผัส น, นั้นจับต้องเพราะมนัสิการอย่างนั้นเนะ่ยคือกิเลสในหลอนสังเกตว่ามันเกิดจากเราคิดเราคิดให้เกิดกิเลสก็ได้เกิดธรรมะก็ได้ เราคิดเราเองอ่ะพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสัมสังกับราโคบริสัทสกาโมกามเนี่ยเกิดจากความดําริของคนโทสะก็เกิดจากความดําริของคนโมหะเองก็เกิดจากความดําริของคนได้ว่าภายในใจเราต้องมีเชื้อนะฮะถ้าไม่มีเชื้อเราก็ไม่ดําริมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วแสดงว่า จิตมันก็ไปปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาแล้วกาหนดไปประเมินค่าไปตีราคาสิ่งเหล่านั้นไปสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจกย่างที่เคยเล่าเรื่องศพนางสิริมาเนะี่ยกเห็นว่าตอนนางสิริมายัางไม่ตายคนนั้นทั้งที่รู้ว่านางสิริมาก็ต่อไปก็ต้องตายใครๆก็ต้องตาย แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถรืงตายก็คิดถึงสวยตอนนี่พระไปหลงท่านก็ไปคิดเรื่องสวยพระนางศิริมาตายพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเป็นการสร้างกระแสขึ้นใหม่ให้แนวคิดใหม่ค่อยๆให้คนได้คิดให้ประกาศว่าใครต้องการเอาศพนางสิริมาเนี่ยก็เงินมาพันกาหาพะนะนะตั้งพันการหาพนะก็ประกาศไปเรื่อย ไม่มีใครเมาเอาจนถึงให้เปล่าเปล่าเนี่ยก็ไม่มีใครเมาเอาแต่กว่าจะถึงวันนั้นในศพมันก็พองขึ้นมีกลิ่นคือปล่อยไปตามสาภาพเพราะต้องการจะใช้ศพเป็นครูแล้วเสร็จแล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็รับสั่งให้ประราชาชนประกาศชักชวนประชาชนมาด้วเยี่ยมศพนางสิริมาแล้วก็นําพระศพไปดูในที่สุดก็สอนจากศพ เป็นการถ่ายถอนความกำหนัดความยึดติดในร่างกายซึ่งจิตเคยกำหนดว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่ไปถึงจุดนั้นอสุภะสัญญามันก็เกิดเพราะตัวนอกมันกระตุน้นจริงๆตัวนอกในกระตุ้นอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันถูกไลยทา้วยอกกลิน่นด้วยวิธีการต่างๆชำนาญศาสตร์แสอะไรต่างๆ เราก็ไม่ได้คิดอ่ะมันก็เหมือนกับทีพ่พระพุทธเจ้าพระเจ้าชายติทาถะที่มองสาวสัรกํำลังในเป็นศพพญาสระมองสาวสัรกําหลังในเป็นศพสามเณรเรวัตตอายุเจ็ดขวบมองเจ้าสาวอายุเจ็ดขวบผ่านเวลาไปเท่าไหร่ร้อยสิบสามปีนะ พอต่อไปก็ต้องแกงหงอมเพราะชราเหมือนกายย่าทวดซึ่งนั่งอยู่ขา้างหน้าแสดงถึงสติปัญญาท่านลึกซึ้งมากคมคายมากบา ร, รมีท่านแก่กล้ามากและเราจะเห็นว่าพระยาศะก็เป็รูปมรผลเป็นพระหันบริรวตัตะก็เป็นพระหรันพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าไปเลยภาพเหล่านั้นที่จริงเป็นภาพปกติมันก็เป็นอย่างนั้น บาลีก็สอนเรานะบอกว่ากายเนี่ยคือแหล่งที่รวมของซากศพมีผงคนเป็นต้นแม้ทั้งสิน้นเป็นของหน้าเบือนหน่ายเป็นของปฏิกกลโดยสีมีโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุ่มแช่โดยปุโพรโลหิตต่างๆเราก็เห็นอนะวันๆเราก็ชำระสะสารร่างกายกันไม่รู้สักกี่ครั้งตลองว่าไม่ชำระสะสารแล้วก็แย่แล แล้วใจมันไม่ไปมันถูกปรุงด้วยราคะป ร, ปรุงด้วยโมหะแล้วก็พร้อมจะเกิดโทสะเวลวใครมามาพูดจาเนี่ยพูดจาตั้งตัวเองไ ม, ม่งามก็โกรธแล้วนะพูดถึงร่างกายจะต้องเปืยหน้าผุพังไปตามกาลเนี่ยก็ไม่เป็นมงคลไปแล้วทั้งทั้ ง, ท, งที่คือสัจจะภาวะภาวะที่แท้จริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้น มันเราเราเห็นว่าในในประเด็นนี้เนี่ยภาษาลีบุตรท่านบอกว่าคนที่เป็นเช่นนี้เขาจะกเป็นผู้มีราคะมีโทสะมีโมหะคือหมายความว่าเป็นการส ง, งบระดับหนึ่งไม่ใช่สงบแบบพระอระหันต์เพราะถ้าอรหันต์ไม่ฟูขึ้นนะฮะไม่ต้องพระอระหันต์ตั้งแต่ประสูตบันขึ้นไปนีกิเลสจะไม่ฟูขึ้น เขาจะยั่วยวนในท่านอย่างไงก็ตามท่านไม่มีทางที่จะไปละเมิดศีหน้าได้ศีหน้าของท่านสําเร็จด้วยอริยมรรตเป็นความแข็งแกร่งภายในโดยอัตโนมัติดังนั้น ต, ตัวอย่างนี้เป็นการยกระดับของจิตที่ยังไม่เข้าสู่กระแสของ น, นิพพานแล้วก็ท่านอุปมอุอปมาเหมือนเดิมนะฮะบอกว่า มันก็เหมือนกระถาดถาดทองสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านร้านตลาดหรือสกุลในช่างทองเป็นของสะอาดหมดจดแต่เจ้าของไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ขัดถาดนั้นเอาไปเก็บไว้ในที่ที่มีเปื้อนฝุ่นละอองคุณละออง ม, มันมีอยู่เดิมอ่ะพอดีเราไปเก็บไว้ในที่ตรงนั้นฝุ่นละอองมันก็เกิดจับบทจะใช้มันก็ใช้มใชไม่ได้พระโมคคลานะก็ รับเช่นเดียวกันว่าอย่างนั้นหรือครับคืออย่าลืมมาพระโมกคัลานะท่านรู้นะฮะแต่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งคล้ายๆกับพระเทศสองธรรมะคือทั้งผู้เทศผู้ถามในที่ิงทั้งผู้ตอบผู้ถามเนี่ ย, ยรู้เข้าใจแต่ว่าถามแทนผู้ฟังที่อยากรู้เพราะนั้นตามปกติแล้วผู้ถามเนี่ยจะมีความรู้ดีกว่าผู้ตอบนะฮะ เวลาเทศเนี่ยผู้ใหญ่จะเป็นผู้ถามผู้น้อยจะเป็นผู้ตอบเพราะว่าการการถามเนี่ยมัต้องคุมทิศทางของเรื่องของประเด็นที่ตั้งใจจะเทศด้วยผู้น้อยตอบเขารบเข่าพงไปมันก็ต้องตลบกลับมาให้ได้แล้วคุมเวลาให้ได้ด้วยแล้วในการคิดคําถามเนี่ยจริงๆกค่อนข้างยากนะคิดคําตอบง่ายตอบผิดตอบถูกก็ไม่รู้ก็ว่าไป องค์งโน้นจะต้องกำกับควบคุมเพื่อไม่ให้ทิศทางมันตเตลิดไปในที่นี้เองสังเกตว่าท่านเน้นที่กิเลสประเภทได้อิจฉาวจรคือเน้นที่ตัวราคะเป็นตัวนำประการต่อไปบุคคลประเภทที่สบุคคลใดไม่มีอังกัณ ก, กิเลสก็รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีอังกัณ ก, ก, กิเลสในภายในข้อที่บุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจะ มนสิการสุภานิมิตไม่นะไม่มนัสิการสุภานิมิตเพราะไม่มนสสกานสุภานิมิตเนี่ยสุภานิมิตมันก็ไม่เกิดกิจันทที่บอกว่ารูปสวยเราไม่คิดว่ามันสวยตนองไก่แจ้กระพลอ่ะตนองไก่แจ้กระพลหรือศิละปะอะไ ร, ะไรต่างๆที่คนกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าสวย แต่เราไม่เคยสะสมข้อมูลในเรื่องนี้มันสวยเราก็ไม่เกิดอยากได้ไม่เกิดกำนัดไม่เกิดพอใจเพราะันคนเหล่านี้จิตเขาจักเป็นผู้ไม่มีราคา่าไม่มีโทสะไม่มีโมหะหมายความสงบนะสงบจากราคา่าโทสะโมหะสงบจากกิเลสมีจิตไม่เศร้หมองทํากาละเปรียบเหมือนกระถาทองสำริดที่ บุคคลนาเข้ามาจากร้านตลาดแล้วสกุลในะช่างทองเหมือนเดิมนะอุปมาณเหมือนเดิมแต่พอดีเจ้าของเนี่ยขัดสีถาดทองสํำริดนั้นแล้วก็ไม่เก็บไว้ในที่ที่มีละอองมันก็ไม่มีสนิมแล้วก็มาขัดด้วยนะฮะทำให้กสะอาดล้างสะอาดพอพอไม่เก็บไว้ในที่ที่มีหยักใหญ่หุ่นละ อ, องต่างๆก็พร้อมที่จะใช้ พระโมคคัลลานะก็กล่าวข้อความเดิมทีนี้พระสารีบุตรท่านมาสรุปว่าท่านโมคคัลลานะเหตุนี้แลปัจจัยนี้แลที่เป็นเหตุทําให้บุคคลสองจำพวกที่มีกิเลสเหมือนกันคนหนึ่งมีกิเลสแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสคนหนึ่งมีกิเลสแต่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสเพรา ะ, ะนั้นโอกาสต่อไปของคนสองฝ่ายนี้จะต่างกัน เหมือนกันนักเรียนนะยังไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อีกคนหนึ่งรู้ไม่รู้รู้ว่าตัวเองไม่รู้ก็พยายามที่จ ะ, สะแสวงความรู้เพรา ะ, ะจุดหมายปรายทางมันจะต่างกันคนตงคนนี้คนหนึ่งจึงถูกยกย่องคนหนึ่งจึงถูกตำหนิน จ, จากบัณฑิตทีนี้ <c oughs> พระมกุฎราชก็ถาม ตามนิยามความหมายนะอย่าลืมว่าคำว่าอังกนะเนี่ยภาษาดิบุตรันเรียกขึ้นเราก็ไม่ค่อยเจอหรอกคือคำพวกนี้ตามปกติเป็นการใช้เฉพาะกิเลสจริงจงเรียกเขายัางไงก็ได้นะในทางไม่ดีก็แล้วกันเป็นคำสมมติบัญญัติเรียกกันขึ้นบางครั้งเราก็ไปยึด ต, ติดอะไรจะเกินไป <laughs> กลายเป็นอุปาทานนะเป็นทิฏฐุปาทานไปเป็นภาษาสมมติบัญญัติขึ้น เขาเองไม่มีชื่อหรอกชื่อเนี่พระเจ้าเรียกโดยภาษามคตเราก็เรียกอย่างนั้นเวลเาไปเจอสันนิตก็เรียกอย่างหนี่งไปเจอภาษาอื่นเขาเรียกอย่างนึ่งพระโมคคลานะท่านมาถามว่าคำว่าอังคณาอังคณาเนี่ยมันเป็นชื่อของอะไรภาษาริบุตรก็บอกว่าเป็นชื่อของอิศวาจรที่เป็นบาปอากุศล อิชาเนี่ยแปลว่าความปรารถนาคนไทยจะออกเสียงยากเลยไงไม่ทนะราบนะเราจเห็นว่าที่จริงฤทิษสยาเนี่ยบาลีเรียกว่าอิสาตัวอสรตัวสเสือตัวสเสือสรอานะฮะมันออกเสียงค่อนข้างยากเลยไงไม่ทราบคนทั่วไปจะพูดว่าอิสาก็คือฤทิษสยา แต่ยิ่งอิชาไม่ใช่นะอิชาแปลว่าปรารถนาคือโลภะนั่นเองกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะประเภทยินดีประเภ ท, ป ร, เทปรารถนาต้องการขวายคว้าอะไรต่างๆเนี่เป็นการเรียกตามอาการเข้มข้นพูดง่ายว่าเป็นกิเลสประเภทโลภะตัณหาโดยเฉพาะเน้นไปที่การมาตัณหากับภาวะตัณหาเรียกรวมๆในที่นี้ว่าอิจชาวจรทีนี้ พระโมกขะนะท่านท่านก็กล่าวทั้นขอรับภิกษุในธรรมีใ น, นนี้พึงบังเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นผู้ต้องอบัตหนอแต่ภิกษุทั้งหลายอย่าพึงรู้เราว่าต้องอบัติเลยนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายพึงรู้ภิกษุนั้นว่าต้องอบัติแต่เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายรู้ว่าตัวต้องอบัตินี้เป็นฐานะที่จะมีได้ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะ อังคณะก็คื อ, อตัวเองผิดพูดง่ายว่าตัวเองผิดแต่ขอคนอื่นอย่ารู้ว่าตัวเองผิดมันก็เป็นความปรารถนาทีนี้จากความปรารถนานี่มันจะไปสู่โทสะเช่นคนทําผิดเนี่ยคนอื่นรู้ว่าตัวเองทําผิดจะเกิดโทสะในคนนั้นที่ก็ฆ่าปิดปากกันเนี่ยพอเกิดโทสะเอ้ยนี่มันรู้มันรู้ความลับของเราเพราะฉะนั้นต้องฆ่ามันฆ่าปิดปากเสเลย ไอโลภะเนี่ยทำให้เกิดโทสะเพรา ะ, ะนั้นเขาจะเกิดโทสะทีนี้พอโทสะปั๊บเนี่ยมันใจมันไม่แช่มชื่นเพราะว่าปัญหามาอยู่ที่ตัวเขาคนอื่นเขาไม่ได้สร้างปัญหาให้เขาเขาทำผิดคนอื่นรู้ว่าเขาทำผิดแต่เขาเองเนี่ยไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาทำผิดทั้งๆ ท, ที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองทำผิดเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นอังคณาเป็นกิเลส ที่เป็นเป็นดังเนินนะฮะแต่ว่าในที่นี้ท่านก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นเป็นอิสาวจรแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากมาจากความปรารถนามาจากอิสาคือความปรารถนาแล้วก็ก็เคยรู้ก็เกิดโทสะพอเกิดโทสะปัญหาอาบัติในตัวเองยังไม่แก้เพราะเขาจะอยู่ในจิตใจที่ไม่ชั่งชื่นไม่เบิกบาน หน้าตาก็จะไม่ผ่องใสมีก็เป็นเหตุประการหนึ่งแล้วก็ต่อไปนี่ท่านท่านก็ยกอะไรมาเยอะหลายๆข้อนะเอ่อคิดว่าคงจะสรุปสรุปสรเฉพาะประเด็นเพราะว่าคงจะมานั่งเอาพระสูตรทุกๆคามาพูดก็คงไม่ได้นะฮะสรสรุปประเด็นให้ดูว่าความปรารถนาในใจมนุษย์เราเนี่ยมีเยอะ ทำชั่วทำผิดแต่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองทำชั่วทำผิด พ, พอใครเกิดรู้ก็จะวิตกกังวลจะเดือดร้อนเ จ, จ็ใจจะไม่ช่ำชื่นจะไม่เบิกบานอาจจะเกิดอาฆาตพยาบาทไม่จะโทสะเฉยๆนะฮะอาจจะเกิดอาฆาตพยาบาทอาจจะเกิดจองเวนอาจจะเกิดความรุนแรงต่างๆถ้าเทียบเป็นตัวตนบุคคลก็เหมือนกรตอดในทศกาณผ่านางสีดาไปนะ ไม่พอใจที่สดาายุไปรู้เรื่องข่าวเพราะตัวเองอุตสาหปลอมแปลงกันอุตรุษไปหมดเลยนะมาดีษมาเรื่ได้แปลงกันไปพอสดาายุเกิดรู้ขึ้นมาแล้วก็รู้วิธีที่จะฆ่าสดาายุก็เลยฆ่าสดาายุตายนั้นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพฤติกรรมของสัตว์โลกเนี่ยมันอยู่ถูกครอบงาําด้วยกิเลสประเภทที่เรียกว่าอิจฉาวิจารนะซึ่งปรากฏ ออกมาในลักษณะต่างๆแต่สรุปแล้วก็คืออาการกิเลสนั่นเองต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูร์ในธรรมจงมีแด่ท่านทุฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี